มืิสคู่นี่เราก็แผ่เมตตานะเนาะล้วก็แผ่กันทุกเชา้าทุกเย็นหนละังจากทาวัดนะยิ่งก็อยากให้เราเอาไปเอาไปพิจารณาดีๆนะเอาไปใช้ดีๆนะในแค่บทแผ่เมตตาหนึ่งบทเนี่ยก็ ที่จริงถ้าทำจริงๆนะมันก็ทำให้เราคลายจากความทุกข์ได้ทุกขณะเลยที่เราแผ่เมตตานะเพราะว่าเรามองเรามองสัตว์ทั้งหลายเนาะเป็นเป็นเพื่อนร่วมทุกขนะ์มีความเกิดแก่เจ็บตายนะมีความทุกข์นะพนูดง่ายๆก็มีความทุกข์เหมือนกับเรา นั้นเราจะทําอย่างไรให้เราไม่ไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเพื่อนก็มทุกข์ถ้าเรามีเมตานะเราก็ไม่ทําให้คนอื่นทุกข์เราเองก็ไม่ทําให้คนอื่นทุกข์เหมือนกันไม่ทําให้ตัวเองทุกข์เหมือนกันเห็นไหมถ้าเรามีเมตตาใจก็มีความสุขนคน ที่เราเกี่ยวข้องเองก็มีความสุขใจเหมือนกันเนะี่ยบาทีเป็นธรรมะที่ดูดูพื้นๆดูง่ายๆนะเรื่องความเมตตานะแต่จริงความเมตตานะนะั่นแหละก็เป็นตัวแก้นะ่หรือเป็นยาที่แก้ความทุกข์นะแล้วก็เพิ่มความสุขได้แบบง่ายๆเลยเ น, ะนี่บางทีธรรมะนะไม่ต้องไปเอาบาทีแบบอย่าไปมองแต่ตัวปัญญานะ มองแต่ตัวหลวดพ้นนะมันทีธรรมะที่เป็นธรรมะพื้นๆธรรมดาเนะน่แหละนะแต่จริงถ้าเราเข้าถึงเข้าใจจริงๆนะมันก็ทำให้เราแก้ความทุกข์ได้นะแล้วก็เป็นการทำให้เกิดเรียกว่าความเห็นถูกต้องไปเรื่อยๆนะที่เรามองเป็นคน เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็คือเขามีเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเรานะแตกต่างกันน้อยมากนะอย่างคนเรานะเราจะดูหน้าตาดูบุคลิกดูสิ่งต่างๆดูแตกต่างกันเยอะมากนะแต่จริงนะโคโ ม, โมุโทมหรือว่านะควทุกกรรมบางอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันนิดเดียวนะที่ทำให้คนเราแตกต่างกัน หรือแม้แต่ในวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษาด้วยนะไม่แต่คนกับลิงเนี่ยหรือคนกับหนูนั่นนี่นะมีส่วนที่เหมือนกันเนี่ยมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตะแม้ดูภายนอกนะแตกต่างกันเยอะนะแต่จริงภายในเนี่ยเหมือนกันอันนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่อง เรื่องรูปร่างภายนอกนะมันก็เราจะเห็นข้างนอกมาดูต่างแต่จริงข้างในไม่มีความเหมือนกันมากกว่าแต่พระเจ้าเองท่านก็ไม่ได้เน้นที่ตรงนั้นนะท่านเน้นว่าคือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจอสภาวะเดียวกันนะ่ะอที่มันเหมือนกันน่ะคือเจอสภาวะเดียวกันคือสภาวะการเกิดเนี่ การแก่การเจ็บการตายอย่างการเกิดบางทีเราก็มองไม่ค่อยชัดหรอกว่าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างไรนะแต่ พ, พระพุทธเจ้าบอกการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้ำไปนะเพราะคนส่วนใหญ่เวลาลูกเกิดนะหรือมีญาติพี่น้องที่เขาคลอดออกมาก็การเกิดก็คือความดีใจนะของคนทางโลกวันเกิดคือวันที่ คนทั้งโลกจะร้องนะสนุกสนานกันนะแต่จริงวันเกิดคือวันที่เราได้พิจารณาดูดูนะชีวิตของเรานะชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยที่พระเจ้าบอกนะการเกิดทุกข่าวเป็นทุกข์ร่ำไปนะมันเป็นจริงหรือเปล่านะเราเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ไหม ที่จริงก็เพราะว่าเรายังหลงอยู่นะเราเลยยังหลงเกิดมาบนโลกนี้แต่ก็อย่างที่ว่านะเราเราห้ามการเกิดไม่ได้แล้วนะนะการเกิดในภพเนะี่ยภูมิความเป็นมนุษย์นะเราไม่สามารถปฏิเสธไดนะ้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไม่หลงนะไม่หลงกันมีชีวิตเท่านะั บันทีเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราจะมีชีวิตอีกน้าเรียกว่าเราอยู่อย่างเราดื่มดื่มแก่ดื่มเจ็บดื่มตายเนาะเราคิดว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ไกลตัวเรานะหรือเราก็คิดว่าเราก็เตรียมพร้อมภายนอกในการจัดการเรื่อง ถ้าถึงวันที่เราแก่มากๆเราเจ็บมากๆหรือวันที่เราก็จะตายเราก็จะเตรียมเตรียมภายนอกนะเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมสิทธิ์เตรียมประกันเตรียมอะไรต่างๆที่คิดว่ามันจะช่วยในการรักษาร่างกายให้มันหายเจ็บหรือว่าหายตายได้มันก็มันก็เตรียมได้นะมันก็เตรียมได้ แต่สิ่งสำคัญมากกว่าคือการเตรียมใจเนาะคือเตรียมใจรับมือเมื่อถึงข่าวแก่คนะือเมื่อถึงข่าวที่เราแก่ประสิทธิภาพในการใช้ร่างกายเนาะมันก็ลดลงประสิทธิภาพในการใช้สมองเนี่ยมันก็ลดลงหรือประสิทธิภาพในการนในการจดจําสิ่งต่างๆนะ มันก็ลดลงหรือคนเองคนอื่นเองอาจจะมองประสิทธิภาพของเราลดลงไปด้วยเพราะเห็นเราแก่มากแล้วเนี่ยไม่อยากให้เราทํานั่นทํานี่นะเช่นอายุมากแล้วเขาก็ไม่อยากให้ขับรถเองอายุมากแล้วเขาก็ไม่อยากให้มาบริหารอะไรมากมายอันนี้ก็มันก็บางคนถ้าเราคิดว่าแต่ก่อนเราเคยทําอะไร ในเองนะหมถึงร่างกายเองก็ดีหรือการงานเองก็ดีนะพอเราทำนิปลดลงนะบางทีคนรายคนแก่แล้วก็จะมักเปรียบเทียบกับอดีตที่เราเคยทำได้นะเป็นทุกข์เพราะความเปรียบเทียบนะแต่ถ้าเรายอมรับสภาพร่างกายนะมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะ หรือยอมรับเรื่องของที่เราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเขาอาจจะมองแบบนั้นแหละนะมันก็ไม่ทุกนะเอแต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะมันก็ทุกความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันนะมันเราก็แน่นอนเรื่องร่างกายมันก็ทุกอยู่แล้วเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่บางทีเราก็ทุบใจเพราะความเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าแต่ก่อนเราน่อ เราสบายกว่านี้นะเราแข็งแรงกว่านี้นะตอนนี้เราต้องมานอนบนเตียงเราต้องให้คนนั้นคนนี้ช่วยเหลือนะมันก็เป็นทุกข์ใจนะอันนี้คือเรียกว่าคนเราก็ทุกเพราะความเปรียบเทียบนะทุกเพราะความเปรียบเทียบที่เราเปรียบเทียบกับตนเองก็ดีหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ดีนะมันก็เลยเป็นทุกข์ นั้นเราต้องคอยมีสติรู้ทันนะรู้ทันเวลาจิตมันมันหลงไปเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบตัวเราเองกับอดีตก็ดีนะหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นก็ดีนะแต่จริงถ้ามองดีๆนะในความที่ยังไม่แก่มันก็มีความแก่อยู่ในนั้น ในความที่ยังไม่เจ็บมันก็ยังมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในนั้นในความนะ่ะที่ยังไม่ตายนะมันก็ยังมีความตายอยู่ในนั้นนะมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้แสดงออกมานะคล้ายๆเหมือนกับไพ่นะที่ยังไม่ได้ไงนะมันคว่ำอยู่นะแต่แต่อีกด้านหนึ่งนะที่มันมีความอยู่มันมันก็มี มันก็มีไพ่มีหน้าที่เขามันมีอยู่แล้วนะรอการงายขึ้นมาให้เราเห็นชัดๆเฉยๆแต่การพิจารณาคือเนี่ยแหละยังไม่ทันที่เราจะต้องเจอนะแต่เราพิจารณาก่อนเลยนะมันก็จะทำให้เราเตรียมใจเนาะเตรียมใจเมื่อเราเจอความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดสึงเสียนะเจอสิ่งที่ ไม่เป็นที่รักที่ปล่อยใจนะเมื่อเราเจอแล้วอ๋อเนี่ยแหละเออนี่แหล ะ, ออหละที่เราเตรียมใจไว้แล้วนะที่เราศึกษาไว้แล้วนะมาจริงๆรินะมาจริงจรงมาจริงๆเราก็เห็นจริงๆริงนะมันก็เลยไม่ไม่ต้องทุกข์ใจเนี่ยคือให้พระเจ้าสอนให้เรามองมองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมที่มันเจอเหมือนเหมือนคัตนั่นแหละนะ บางทีพอเรามองแตกต่างกันบางทีเราก็โกรธนะโกรธเขาที่เขานะนิสัยไม่เหมือนเราโกรธเขาที่เขาทำอะไรขัดใจเราโกรธเขานะที่เขามาขัดประโยชน์บางอย่างจากเรานะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะบางทีคนเราที่มีปัญหากันเพราะ เพรเรื่องของทิฏฐินะเรื่องของความเห็นแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์นะตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาระดับโลกนะนที่มีปัญหากันก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของทิฏฐินะความคิดความเห็นที่แตกต่างกันแต่อย่างอย่างตัมมานะชอบชอบกรหลวงพ่อพุทธทาสนะที่ยว เขามีส่วนเ็วบ้างเช่างหัวเขานะจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยนะเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะตอ น, น, นแรกๆก็ ฟังก่อนนี้นะมันเหมือนเอ๊ะหลวงพ่อก่อนนี้แบบมันมันก็ดีนะแต่มันดูตื้นตื้นนะโดยเป็นหนักธรรมตื้นตื้นนะฝึกให้เรามองมองแง่บวกนะมองแง่ดีนะมันก็เป็นธรรมะแบบแบบตื้นตื้ น, นเหมือนทางโลกนะที่เขาสอนให้เราคิดบวกนะตอตอนแรกเขาก็เข้าใจอย่างนั้นนะแต่ก็แต่พอ ปฏิบัติทำไมเรื่อยรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่แค่การที่เราท่านสอนให้เราคิดบวกเนะ่ะมองแต่ในแง่ดีแต่จริงการที่เรามองเช่นนั้นที่จริงลึกๆก็จริงๆก็คือมันทำให้เราปล่อยวางได้นะเพราะที่จริงพอเราไปมองในแง่ลบเนะ่ใจก็เป็นทุกข์พอเรา รู้จับวางแง่เสียของคนอื่นเสียบ้างหรือสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่ใจเราคาดหวังเสียบ้างนะมันก็พ้นจากความทุกข์นะเพราะาใจคนเรานะบางทีมันก็มักจะไปหาอะไรที่มักจะไปหาอะไรแต่ที่เราคาดหวังว่ามันจะต้องดีอย่างที่เราคิดนะอย่างผมเองนะแทำไมก็โอที่เราก็ทุกข์เพราะว่าเรา เราคิดว่าสิ่งต่างๆมันต้องดีดีไปทั้งหมดนะหรือว่ามันก็ต้องควรที่จะดีกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอย่างมาบวชใหม่ๆเนะี่ยบางทีก็เรียกว่าผิดหวังเหมือนกันนะมาอยู่วัดเราคิดว่าที่วัดจะสงบจะไม่วุ่นวายนะแต่ จ, จริงอยู่กับธรรมชาติถ้าไม่ได้ว่า หม่ถึงถ้าไม่มีคนเลยนะ ก, ก็ป่าไม้ก็ก็สงบพอสมควรนะสถานที่ก็สงบพอสมควรแหละแต่พอมีคนมาอยู่นะหลายหลายคนนะมันก็มีความวุ่นวายวุ่นวายเพราะปัญหาของแต่ละคนบ้างหรือวุ่นวายเพราะปัญหาที่กระทบกระทั่งกันบ้างนะแบ่งพักแบ่งพวกนั่นนี่นะ บวชใหม่ๆบางทีก็เจอนะแต่จริงก็ไม่ถือว่าเยอะมากหรอกนะแต่เราเองอาจจะด้วยความคาดหวังที่เราคิดว่าเมื่อมาอยู่วัดแล้วมันต้องเป็นสถานที่ที่มันมันมีแต่ดีอย่างเดียวนะไม่มีเรีวเลยนะแต่จริงมันไม่มีนะอืก็ฮะมันเป็นสถานที่ที่มันก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแต่เราเองทุกใจเพราะความคาดหวังนะคาดหวังว่ามันต้องดี นอย่างเดียวหรือคาดหวังว่ามันควรที่จะต้องสงบกว่านี้นะแต่จริงไปวัดหลายๆที่นะก็มีปัญหาในหลายแบบนะแตกต่างกันบ้างคล้ายคลยกันบ้างเนะดี๋ยวเราก็คิดว่าเราจะไปหาที่ที่มันสงบดีๆมันก็ไม่มีนะหรือหาตัวบุคคลที่มีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีเดีวเลย ก็ไม่มีนะวันนี้ความรู้สึกนะครับแม้แต่แม้แต่พระที่เราเคารพนับนะถือว่าท่านถึงที่สุดแห่งความทุกข์แล้วหรือว่าเป็นพระอรหันต์แบบนี้นะถ้าจะว่าจริงนะถ้าโดยอัคติของเราไปมองนะมันก็มีทิฏฐิไปหมดนั่นแหละนะบางคนคนระูบาอาจารย์เช่นบางทีท่านดุท่าน ือนท่านขนาด บ, บ่อยไอ้ใจเราบางทีไม่ชอบแล้วก็ว่าท่านดุไปท่านท่านมากไปน ะ, นะหรือบางบางคนครูบาอาจารย์บางรูปท่านเมตตามากนะปล่อยวางน ะ, นะอะไรก็ดูไม่มีปัญหาหรือว่าพยายามที่จ ะ, ะมีให้แต่ด้านเมตตาด้านที่ว่าขนาดก็น้อยนะ ทีถ้าใจเราไม่ชอบนะเราก็ว่าท่านเมตตามากไปทําไมไม่ตักไม่เตือนไม่นั่นนี่นะบางทีเราก็ทุกเพราะแบบนี้แหละบางทีหรือบางทีเราก็เห็นท่านทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าไหร่นะที่เราก็เราก็ไม่พอใจเราก็ไม่เราก็ไม่ชอบนะ แต่จริงพอมาดูจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ที่ตัวท่านหรอกที่เป็นเหตุของความทุกข์นะแต่มันเป็นเหตุความทุกข์จริงคือคือตัวเรานะตัวเราที่มองหรือตัวเราที่ไปหาหาความสมบูรณ์แบบนะหรือตัวเราที่ไปหาอะไรที่เราคิดว่ามันจะให้มันถูกใจเรานะ พอมันไม่ถูกใจเรามันก็เกิดความขัดใจนะมันก็เลยเกิดความเกิดความทุกข์ใจนะแต่จริงถ้ามองดี ด, ดีจริงๆนะมีสิ่งที่ขัดใจนะมันดีนะมันทำให้เราเห็นเห็นตัวเองเห็นตัวเองว่ามันยังหลงมันยังติดอยู่ด้านไหนนะอย่างบางทีเห็นนะ่ะ เห็นอะไรที่ขัดใจเช่นไม่พอใจจากครูบาอาจารย์บางทีก็อืมก็ทำให้เราเห็นว่าเออเรายังติดในระบบวิธีคิดจากที่เราเคยเรียนมาหรือที่เราคิดว่ามันถูกมันดีแต่จริงเราก็เกิดการยึดมั่นถือมั่นเองนะอย่างขอโทษนะแต่ก่อนแบบบางทีอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อบางที หพ่อพาไปบอกชวนจะไปที่นั่นที่นี่นะเช่นไปแกล้งข้อไปเชยโฟมนะไปกรุงเทพก็ดีบางทีนะทีนัดหมายเวลากันถึงว่าจะไปตอนบ่ายนะแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลวงพ่อชันเสร็จนะไปตอนเช้าด้วยหรือเราก็ยังเก็บของไม่ทันยังเตรียมตัวไม่ทันนะบางทีเราก็แบบอืมก็นัดกันตอนนี้แล้วทําไมเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะ หรือบางทีทํางานบางอย่างหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้การประชุมปรึกษาหาเรื่อหลักท่านก็คิดว่าแบบนี้มันมันควรทําแบบนี้นะท่านก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนแผนนี่ยบางทีเราก็เกิดความไม่สบายใจนะแต่จริงพอดูอดีมันไม่สบายใจเพราะเราคิดว่ามันมันคงต้องเป็นไปตามแผนนะที่วางกันไว้ที่คุยกันไว้น เมื่อเปลี่ยนแผนนะใจเราก็เลยเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจเป็นความทุกข์แต่จริงครูบาอาจารย์ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะตามเหตุตามปัจจัยนะมันมีเหตุมีปัจจัยเปลี่ยนท่านก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับเรานะบางทีเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้ดูเหตุปัจจัยนะแต่เรายึดแต่เหตุผลแบบแผนนะมันก็เลยมันก็เลย มันตายตัวมันก็แข่งเกินไปมันก็มันก็ทุกข์เหมือนนะที่จริงแผนมันก็มีบ้างได้แต่มันก็ต้องเปลี่ยนนะเหมือนกับเหมือนกับเราทางานนะหรือกับเหมือนนักกีฬาใช่ไหมเอานักกีฬาก็ได้เวลาเขาแข่งเขาแข่งกีฬาแข่งกับคู่ต่อสูนะ้บางทีเขามีแผนไว้ก่อนแหละนะแต่บางทีพอไปแข่งจริงจริงนะคู่ต่อสู้ ดักทางหรือว่ารู้ทันแผนของเราละถ้าเราเอาแต่แผนเดิมนะก็แพ้แน่นอนเพราะว่าเขาก็ดักได้แล้วก็เตรียมแก้มาแล้วเราเองก็ต้องรู้จักเปลี่ยนแผนเให้เขาเให้เขาหลงทางหรือให้เขาตามไม่ทันเนยะงานก็เหมือนกันนะบางทีเราวางแผนไว้แบบนี้แต่พอทำไปจริงๆ ที่เราคิดที่เราวางในกระดาษมันอาจจะเป็นคิดว่ามันจะไม่มีปัญหาแต่พอทำจริงมันก็ก็มีปัญหานะเราก็ต้องเปลี่ยนแผนใช่ไเนี่ยเราเรียกว่าเปลี่ยนแผนตามเหตุตามปัจจัยอนยะ่าไปคิดมั่นมากในในการวางแผนนั่นนี่นะบางทีมันก็เป็นทุกข์เนี่ยที่จริงมันก็สิ่งพวกนี้มันทำให้เรามองเห็นเห็นความทุกข์นะ มีอะไรที่ขัดใจไม่พอใจมันมันดีเนี่ยคือไม่ได้คิดว่ามองในแง่ดีหรอกที่จริงเมื่อเห็นทุกข์แล้วมันจะรู้สึกว่ามันดีนะแต่ถ้าเราพยายามแค่ปลอบใจเอ้หาข้อดีนั่นนี่นะอันนั้นคือมองแบบมุมบวกนยะมันก็ดีแบบมองแบบแบบมองด้านบวกนะแต่จริงมองแบบพุทธศาสนาท่านมองให้เห็นว่านะ เวลาที่เราไม่พอใจน่ะใจเราเป็นทุกขนะ์ใจมันเป็นทุกขนะ์มันเป็นทุกข์นั่นแหละถ้าเราเห็นความทุกข์ในใจน่ะมันถึงจะมันถึงจะปล่อยวางไดนะ้ปล่อยวางได้นะมันก็จะขอบคุณสิ่งที่มันขัดใจนะว่ามันเออมันดีละที่มันขัดใจทำให้เราได้เห็นใจตัวเองทำให้เราได้เห็นความทุกข์ในใจตัวเองนะ ทำให้เราได้วางความทุกข์ตรงนั้นได้ถ้าเราไม่มีเรื่องขัดใจนะมันก็จะมันก็จะไม่เห็นใจเนี่ย ก, ก็มาเป็นการมองมองให้เห็นทุกข์แล้วทําให้เราเราปล่อยวางนะะบางทีเนี่ยอย่างที่ว่าที่ก่อนที่หลวงพ่อพุทธทาส์ว่ามองในแง่ดีนะที่จริงมันก็ไม่ได้เห็นแต่แง่ดีหรือว่า ไม่เห็นแง่ไม่ดีของเขาหรอกแต่จริงพอเราเห็นแง่ไม่ดีของเขาแล้วเราเป็นทุกขนะ์ใจนั้นแหละมันทำให้เราเห็นความทุกข์ในใจแล้วเราปล่อยวางได้เมืนะ่อปล่อยวางได้แล้วมันก็มันก็จะเห็นแง่ดีของเขาเห็นแะง่บวกของเขาหรือบางทีก็เห็นเห็นแง่บวกของความทุกข์นั่นแหละนะว่าความทุกข์มันทำให้เราพ้นจากความทุกข์ นะี่มันก็เป็นการช่วยนะนะใช้กรมาช่วยบ้างนะอย่างน้อยบางทีตอนมันทุกข์นนะมันมองไม่เห็นนะแต่ก็ใช้กรให้เออให้เราเปลี่ยนมามองแง่บวกบ้างเพื่อให้ใจมันมีความสุขมากขึ้นนะแต่พอทักพักหนึ่งนะมันก็ย้อนกลับไปเห็นความทุกขนะ์เพราะมองมองแต่แ ง, ง่บวกอย่างเดียวนะที่จริงมันเป็นการเหมือนแค่แค่เบี่ยงนะเบี่ยงใจที่มันไปจมกับความทุกข์นะ มามองหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งด้านบวกหรือด้านสวกบ้างเพื่อให้ใจมาปรับสมดุลไม่ไปจมกับความทุกข์มากนความมาปรับมาสมดุลมัเหมือนมองแบบชำเลืองเห็นว่าอ้อมันทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะใจเรายึดมั่นถือมั่นนี้เองหะมันเป็นความทุกข์เพราะตรงนี้นะมันก็วางได้จริงเพราะมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะ ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็เป็นมันก็เป็นของมันแบบนั้นน่ะแหละนะเราจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้นะมันไม่สามารถที่จะไปบังคับเอาตามที่ใจเราต้องการได้ทั้งหมดหรอกบนโลกนี้นะแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราปรับใจของเรานะให้ยอมรับความจริงได้ น, ะนี่คือนี่คือตัวปัญญานะ นี่คือตัวปัญญาเมื่อเราทำได้แบบนี้มองเห็นแบบนี้นะตัวเมตตานะมันก็จะเกิดขึ้นสภาวะเมตตาเนี่ยไม่ใช่สภาวะต่าๆนะบางทีเรามองเรื่องความเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องทั่วๆไปนะแต่ก็แน่นอนอะ่ะบางทีมันก็มีเมตตาแบบหลงๆนะเมตตาแบบหวังอยากให้คนรักเมตตาแบบนะ หวงผลประโยชน์ก็มีนะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เมตตาจริงๆนะแต่จริงพอใจเราเห็นความจริงนะเข้าใจความจริงนะใจเราก็มีเมตตาขึ้นมาแทนนะอย่างเวลาบางคนแต่ก่อนเราโกรธนะเราก็มองเขานเป็นศัตรูมองเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พอเราเห็นความโกรธมันเป็นทุกข์นะเห็นใจเราเองที่เป็นทุกข์ บางทีเราเห็นคนอื่นเ็าทำผิดแล้วเราไม่ชอบจริงๆพอเรามาเห็นจริงๆเห็นใจเราที่ไม่ชอบที่จริงมันก็กลับมาเห็นตัวเองได้แหละว่าแต่ก่อนเราเองก็เคยโกรธแต่ก่อนเราเองก็เคยหลงแต่ก่อนเราเองก็เคยทำผิดอาจจะไม่เหมือนเขาเถือทีเดียวหรือบางอย่างก็เหมือนเขาเป๊ะเลยแต่จริงต้นเหตุจริงๆคือความหลง ความขาดสติเนะี่ยนั้นคนคนที่เขาโกรธก็ดีคนที่เขาทำผิดก็ดีนะเพราะเขาขาดสตนะิเหมือนกับเราะรหละนะเราเองรายทั้งรายนเราก็ขาดสตนะิอดีตเราก็เคยขาดสติมาเยอะเหมือนกันอนาคตก็ไม่แน่นะเราก็อาจจะขาดสติบ่อยเหมือนกันนะพอเห็นว่านะ การขาดสติเนี่ยเป็นเหตุทำให้เขาโกรธเขาโลภเขาหลงเนาะแล้วก็เห็นว่าที่จริงในตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเราขาดสตินะเราก็โกรธโลภหลงเหมือนกันมันจะเปลี่ยนนะจากความพยาบาทความโกรธกลายเป็นความสงสารเป็นความเมตตาสงสารเขาที่เขาโกรธสงสารเขาที่เขาโลภสงสารเขาที่เขาทําผิด มันจะมีเมตตากรุณาเข้ามาแทนะมันก็จะใจก็จะอืมจะช่วยเขาอย่างใดดีนะะให้เขาพ้นจากความโกรธจะช่วยเขาอย่างไดนะงไดีให้เขาเห็นความโกรธเห็นความทุกข์ตรงนั้นเห็นความผิดตรงนั้นแก้ไขตรงนั้นนะมันก็จะกลายเป็นการช่วยนะช่วยยกใจเขาขึ้นมาไม่ใช่ไปช่วยเหยียบนะบางทีคนทั้งโลกนะบางที เห็นคนนี้ทำไม่ดีนะฆ่ามันเลยปนามปจานนะบางทีก็ไม่พาเรามองเขาเป็นศัตรูนะเราก็ทำแบบนั้นได้แต่จริงเราก็มันก็เพิ่มเพิ่มปีศาจในใจของเรานะเพิ่มปีศาจในใจของเราเราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ถ้าเราไม่โดนเองนะมันจะเจ็บขนาดไหนมันจะทุกข์ขนาดไหน แต่ที่จริงถ้าเรามองอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะเรื่ อ, ง, องเช่นแผ่เมตตาเนะี่ยเรามองคนทุกคนนะมีธรรมชาติเหมือนกันนะร่างกายใกล้เคียงกันนะจิตใจในมีแต่จิตใจในมีสภาวะนะ่ะคล้ายๆกันนั่นแหละนะธรรมชาติของความหลงนะมันก็มีเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งนะ เราก็มองว่าธรรมชาติของความรู้นะก็สามารถมีได้เหมือนกันนะอย่างในแบบเซนนะบอกไม่แต่ในหมาในตัวหมานะก็มีพุท ธ, ธในตัวต้นไม้ภูเขาต่างๆก็มีพุท ธ, ธคือเขามองไปกว้างมากกว่าคนที่คนที่จะเป็นพุท ธ, ธเป็นพระพุทธเจ้าได้ แต่จริงพอมองทุกสปปรรพสัตว์นะมีสภาวะพุท ธ, ธะนะหรือจะเรียกว่าที่จริงเรามีสภาวะโพธิสัตว์ก็ได้นะโพธิสัตว์คืออะไรผู้ที่กําลังบําเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ในทางเหตุรัตว์เราอาจจะมองพุทธเจ้าคือเป็นอีกแบบหนึ่งสาวกเป็ อ, อีกแบบหนึ่งแต่เราอาจะมองแบบนี้ได้ไหมว่าคือทุกสปปรรพสัตว์ต่างๆะก็คือ บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์นั่นแหละเพื่อจะทําให้เกิดสภาวะพุทธะขึ้นในใจนะจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นสาวกภูมิก็ดีนะแต่คือทุกสรรพสัตว์เนี่ยคือการเดินทางเพื่อเพื่อความพ้นทุกข์นะเห็นทุกข์แล้วก็พ้นจากความทุกข์เกิดพุทธะขึ้นในใจนะนั้นเรามองบางที ถ้าเรามองดีๆมันจะมองทะลุนะเห็นความโกรธมันก็มีความไม่โกรธอยู่ในนั้นในตัวเขาน่นแหละเห็นความหลงในตัวเขาที่จริงเราก็ยังเชื่อมั่นนะว่าเขาสามารถที่จะไม่หลงได้เห็นคนที่ผิดพลาดนะเราก็มีความเชื่อมั่นรู้สึกอยู่ว่าเขาจะแก้ความผิดพลาดได้คือเราไม่มองแบบไปติดฉลากคนนีนะ้คนนี้คือคนชั่วน่ะ มันก็ต้องชั่วตลอดไปไอคนนี้มันเลวมันก็เลวตลอดไปไอคนนี้มันโง่เนี่ยมันก็โง่ตลอดไปเราไม่ไปมองแบบติดฉากตายตัวเพราะถ้าเรามองแบบนั้นนะบางทีก็คือเราเองแหละเป็นคนยึดติดว่าอดีตเขาเป็นแบบนั้นเราก็คิดว่าอนาคตเขาจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปแต่จริงถ้าเรารู้จักมองตัวเองจริงๆนะ ตัวเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเราเองไม่เหมือนเดิมเลยนะนะร่างกายก็มไม่เหมือนเดิมจิตใจก็ไม่เหมือนเดิมะแต่บางทีมันก็ไม่เหมือนแต่ร่างกายพออายุมากมันก็มันก็เสื่อมหละเป็นธรรมดาแต่จิตใจนะบางที uit. ถ้าเราฝึกฝนดีๆนะมันดีขึ้นกว่าเดิมมันพัฒนาขึ้นอยู่นแต่ถ้าคนไม่ฝึกเองอยอยก็อาจจะ พัฒนาลงนะเสื่อมลงนะก็ได้นะเนะี่ยคือที่จิตใจเราเองก็ไม่เหมือนเดิมนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกเราให้โอกาสตัวเองไหมเราได้พัฒนาตัวเองไหมคนอื่นก็เหมือนกันแหละนะคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะถ้าส่วนหนึ่งเราให้โอกาสเขาไม่ไปติดป้ายฉากเขาว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตลอดไป รวมถึงตัวเขาเองด้วยแหละนะบางทีเหตุปัจจัยสำคือตัวเขาเองแหละเขาจะเห็นเห็นตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองขนาดในเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปมันก็ไม่ใช่นะเป็นแบบนี้แต่เราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้นะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้อันนี้แหละคือบางทีเราก็ต้องมองตัวเองอย่างเมตตาบ้างเนะี่ย มองคนอื่นอย่างเมตตาบ้างนะเพราะจริงจริงเมตตาเนี่ยมันช่วยให้เราปล่อยวางนะบางอย่างมันยังไม่ดีๆนะเราก็รู้อยู่นะเราก็เมตตากันได้นะเราก็ปล่อยวางได้นะเราไม่ได้ไปหาแต่ส่วนที่ดีอย่างเดียวหลักนะแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองเห็นทั้งสองส่วนนะด้านบวกเราก็เห็นด้านลบเราก็เห็น ด้านดีเราก็เห็นด้านไม่ดีเราก็เห็นทั้งตัวเราเองก็ดีหรือว่าตัวคนอื่นก็ดีนะแต่เราก็เน้นพัฒนาด้านบวกหรือเรามองคนอื่นก็พย า, ยามองด้านบวกให้มากๆส่วนด้านลบในใจของเราเองนะมันก็ดีเหมือนกันทำลาถ้าเราเห็นตัวเองนะว่ามีด้านไหนที่ยังไม่ดีนะเราก็จะได้พัฒนาตัวเองได้ถูกเนี่ แต่ถ้าเราไม่เห็นนะมันก็แก้ไม่ถูกพัฒนาไม่ถูกที่เราเห็นคนอื่นไม่ดีไม่ถูกบางอย่างบางทีมันก็ดีนะถ้าเรามีโอกาสแนะนำตักเตือนเราก็จะบอกเขาด้ยวยความเมตตาได้เนะนี่ยมันก็เป็นการช่วยกันเรื่อยๆ น, ะนั่นที่จริงถ้าจะว่าไปจริงนะตัวปัญญาตัวปล่อยวางนะกับตัวเมตตานะ มันก็อยู่ด้วยกันนะคนที่มีปัญญาคือคนที่มีสติมีปัญญาคือคนที่เข้าใจความจริงนะมันก็ปล่อยวางได้นะ่ะเมื่อปล่อยวางได้จิตใจนะ่ะก็มีเมตตาเข้ามาแทนที่นะเมตตาการุณาไม่ใช่ว่ามันจะเฉยแบบไม่สนใจคนอื่นนะแต่มันจะสงสารเนอะอยากจะช่วยเขาเนะท่าที่ช่วยได้นะ่ะเท่าที่ช่วยได้แต่ก็ไม่ใช่ เป็นแบบประเภทแบบอยากช่วยไปหมดเลยไม่ดูตามมาตาเรือนนะอันนั้นเป็นวิปัสสนูนะเป็นเราอยากเมื่อเราอยากจะให้นะไม่สนใจว่าเขาอยากจะเอาหรือเปล่านะคนทางโลกบางทีก็แบบนี้นะของบริจาคเยอะมากนะอยากจะให้นะแต่ไม่รู้เขาอยากจะเอาหรือเปล่าหรืออยากจะช่วยเหลือนะก็ยัดเยียดให้กับเขานะแต่เราก็ดูนะที่จริงก็ เน้นแบบนี้แหละครับเนียเวลาเราอยู่ด้วยกันบางทีมันก็หาอะไรที่มันหาอะไรที่มันถูกใจเราทั้งหมดมันก็ไม่ได้หรอกเนะหาอะไรที่มันสมบูรณ์แบบเนีทั้งในตัวเราเองก็ไม่มีนะตัวคนอื่นเองก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่เราทํำได้คือเนี่ยแหละเราพยายามมีเมตตาต่อกันนะปรารถนาดีต่อกันนอะไรที่มันไม่ดีเราก็อาจจะรู้อาจจะเห็นนะ แต่เราก็ใจเย็นๆไว้น่ะใจเย็นไ ว, นะเนเนไว้เพราะในตัวเราเองก็มีนะ่ะเรามาแก้ที่ตัวเราเองหรือถ้าสิ่งใดเราพอช่วยคนอื่นให้เขาแก้ไขตัวเองตัวเขาได้เราก็ช่วยบ้างนะแต่อย่าไปมองแบบติดชะดากว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตลอดนะเพราะถ้าเรามองแบบนั้นเองใจเราเองก็เป็นทุกขนะ์เราเองก็ไม่สามารถข้ามความทุกข์ในใจของเราได้ นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะธรรมะมันมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบนะด้านพัฒนาด้านไม่พัฒนาด้านทุกข์ด้านไม่ทุกข์นะที่จริงมันก็เป็นมันเป็นสิ่งเดียวกันนะมันเป็นสิ่งเดียวกันพรเจ้าก็เลยบอกที่จริงกุศลอกุศลหรือไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนะที่จริงมันก็เป็นสภาวะ ธรรมะนะธรรมะเหมือนกันไปทั้งหมดนะเราไปแยกเราไปอะไรบางทีก็แยกเพื่อเป็นภาษาเพื่อเป็นสมมุติให้เราเข้าใจนะแต่จริงลึ ก, ลกจริงๆแล้วมันมีปรมัตดที่มันเป็นตัวเรียกว่าเป็นธรรมะธรรมะเนะี่ยกลายเป็นสิ่งเดียวกันนะคล้ายๆเหมือนเหมือนอาหารนะกับข้าวต่างๆเราเอามาเอามาต้มเอามา เอามาต้มด้วยกันนะตัวน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมามันมาเข้ารดตรงที่น้ำเดียวกันเลยนะมันแยกไม่ออกเน่มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันในแกงในน้ำแกงเนี่ยมันคือส่วนผสมทุกอย่างที่เราเอามาต้มเอามาทำแกงนะน้ำเนี่ยมันคือรวมกันตรงนั้นธรรมะเองมันก็รวมคุมไว้ทุกอย่างเลย อากุศลก็ดีกุศลก็ดีหรือที่เป็นกลางกลาก็ดีะกิเลสก็ดีพุทธะก็ดีนะมันก็รวมอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละนะแต่เพิยงแต่ว่าเราจ ะ, ะยกจิตขึ้นมานะยกจิตขึ้นมาให้เป็นเพียงแค่ผู้เห็นว่าสิ่งต่างๆได้จริงที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายหรือกับจิตใจเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการศน ะ, นะ เป็นเพียงแค่อาการของมันมันไม่ใช่เราจริงๆหรอกที่มันเป็นร่างกายนั้นเบื่อจิตใจนั้นมันเป็นเพียงแค่อาการเราจะถอนจิตให้มันสูงขึ้นมาเป็นผู้เห็นแบบนี้ได้อย่างไรนะมันถึงจะเกิดการการพ้นการวางได้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกนะจิตแม้มันไม่ใช่ตัวตน ของเรานะแต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้นะคล้ายๆเหมือนกับเราฝึกเด็กนะฝึกเด็กให้เขาอ่านออกเขียนได้ฝึกเด็กให้เขาจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะหรือเราฝึกสัตว์นะให้เขาทำนั่นทำนี่นะแม้สัตว์ก็ดีเด็กก็ดีก็ไม่ใช่เรานะแต่เราก็ยังสามารถฝึกได้นะ มือไม่แต่ดินนะเราก็ยังปั้นเป็นรูปนะารูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ไดนะ้ใจเราเองก็เหมือนกันนะใจจะพูดโดยสมมุติว่าใจของเราเองนะแต่โดยปรมัมภคือใจเมันก็ไม่ใช่เรานะ่ยไม่ใช่ของของเรานะแต่แม้มันไม่ใช่ของของเรานะมันก็สามารถฝึกได้นะฝึกฝึกใจให้พ้นจากความทุกข์ฝึกใจให้ฉลาดนะฝึกใจให้ปล่อยวางเนะี่ยคือสิ่งที่ ที่หน้าที่นะที่เราเราต้องฝึกฝนต้องมันพยายามทำเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะพยายามเห็นกายเห็นใจบ่อยๆนะมันก็จะเห็นความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนะไม่เห็นความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจมันก็จะเห็นความทุกข์ตรงนั้นแหละมันก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนะมันก็จะคลายความทุกข์ของมันนะเป็นความไม่ทุกข์นะก็ฝากไว้ครับ